พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าสงนั้นแลคือผู้สงเคราะห์ชุมชน วันนี้เป็นวันที่วันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2555วันนี้ประมาณชักเที่ยงหรือวัน11อโมงสินาฬิกาพวกคณะจดทายาติโยมจากกรุงเทพแล้วก็ทางโรงพยาบาล น, น้ำโสมอำเภอน้ำโสมตะกอนอำเภอนายูงของเราก็ขึ้นต่อน้ำโสม แยกออกจากน้ำโสมมาเป็นอำเภอนายุงวันนี้ทางคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อคืออันเนื่องมาจากวันที่27เมษายนพุทธศักราช2555ของเราเนี่แหละมีคณะทัตธาญาตโยมจากกรุงเทพปีที่แล้วปีก่อนปี44ในะปี54 หลวงตามรณภาพก็ถวายรถตู้แอมโมเลนถวายหลวงพ่อคันหนึ่งหลวงพ่อได้มอบให้แก่โรงพยาบาลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าอำเภอหนองพอกใกล้กับภูเจาะก่อจังหวัดมุกดาหารที่เป็นวัดของหลวงปูล่ลาก่อนที่หลวงปู่จะจากไปปีสองปีท่านมอบรถ ตูให้แก่โรงพยาบาลอำเภอหนองพอกเพราะอำเภอหนองพอกเขามาดูแลพระเนนวัดปู่เจอกก็ท่ะนี้ท่านมอบให้จากท่านท่านก็ได้จากไปเมื่อหลวงปู่จากไปแล้วรถคันนี้เขาก็ใช้ประจำการอยู่ที่อำเภอหนองพอกวิ่งส่งคนไข้เข้าจังหวัดร1อวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวรถใช้มาถึง 15-16 ปีทนี้ ความสำรุ้ชุดโฉมก็ธรรมดารถใช้ขนาดนั้นรถราชการอีกต่างหากรถหลายมืออีกต่างหากแต่นพอสำรุ้เขาก็มาหาหลวงพ่อพรหลวงพ่อในฐานะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่รุ่นแรกของหลวงปู่พรหลวงพ่อเป็นเนนหลวงปู่ล่าเนีหลวงปู่ล่าไปอยู่ภูจกก็ท่านเพียง 11, สิบอดพรรษาหลวงพ่อก็อายุสิอปีพอดีเหมือนกันถ้าอยากจะรู้ว่าพรรษาหลวงปู่เท่าไหร่ ต้องเอาอายุของหลวงพ่อเทียบกันเลยท่านหลวงปู่ยังอยู่นะหลวงปู่ยังไม่มรณะภาพหนะลวงปู่ก็อายุพรรษาของท่านก็67ปี67ปีเท่าอายุหลวงพ่อนะแล้วหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ล่าแต่ี้เมื่อรถแอมโมเรนที่ใช้ประจำ โรงพยาบัลน้องพ่อก็สุดโสมตามอายุที่ใช้งานนะทั้งก็มองไม่เห็นใครเขาก็มาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เออเออเอารับเพราะเป็นรถของหลวงปู่ที่ให้ไปหลวงพ่อก็บอกกับญาติโยมผู้ที่มีกำลังก็มีหลายคนจะรวมกันหลวงพ่อก็คิดว่าจะเป็นหลักแล้วก็จะรวบรวมจะตุปัจที่มีเจ้าภาพหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมคณะผมจะรับแทนหลวงพ่อก็แล้วกันเออเอาดี ก็เลยสั่งรถแอมบูเล็ตคันนั้นกับมอบที่หลวงพ่ออยู่วัดป่าบัานตาดพอดีในช่วงนั้นเขาได้มอบที่วัดป่าบัานตาดให้แก่โรงพยาบาลอําเภอหนองพอกเดี๋ยวนี้เขาก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่กับตั้งนี่แหละเมื่อมอบปี54นี่เองพอปีที่แล้วอีกวันเกิดหลวงพ่อเขาจะถวายอีกคั น, น, นหลวงพ่อก็เอารับ ถวายคันนี้ก็เนี่ยมอบให้ยงแคโรงพยาบาลอำเภอนายูงที่อยู่ ใ, ใกล้ๆหลวงพ่อเนี่ยคันก่อนนะ่ะล้านห้ากว่ากว่านะแต่ในคันที่สองในล้านเจ็ดกว่าแต่ปีนี้ล้านแปดล้านแปดตรงเลยที่เขาถวายล้านแปดแต่นี้จะมอบวันนี้แหละทีนี่ยจะมอบเพิ่เพิ่มน้ำสมแล้วก็ขอให้ทางในครัวช่วยๆเตรียมเตรียมอาหารเลี้ยง พวกเขาเหล่านั้นด้วยนะก็คงจะไม่มากประมาณ10กว่าคนเองแต่ถึงยังไงประมาณชงเที่ยงนะมาชงเที่ยงเราจะไม่รู้จะหาอาหารที่ไหนเพราะมันเที่ยงแล้วลเตรียมอาหารรอรับเลี้ยงเลี้ยงพวกแขกที่มามอบรถเอมโบเรนวันนี้ประมาณจากักวัน10กว่าคน1ิ1เบสอคนนี่แหละประมาณจักเที่ยงหลวงพ่อไม่ได้ นึ่ดูได้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับความสะดวกสบายอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอาเภอเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก่อนเขาก็ใช้วิชาหมอสุดความสามารถของหมอในท้องถิ่นในอาเภอนั้นๆแต่ทุกวันนี้มีการฟ้องร้องกันบ่อยมากกระทางหมอทางอาเภอเนี่ย ในชนบทหมออำเภอเนี่ยขายาดเหมือนกันเลยกลัวไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องตัวเองเมื่อไหร่ทั้งที่ตัวเองเจตนาดีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เมื่อสุดความสามารถของหมอในท้องถิน่นจะให้หมอเหมือนหมอในเมืองก็คงไม่ได้เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือหมอในเมืองกับหมอชนบทมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหมอในชนบทหมออำเภอเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยมองๆดยแล้ว เอีมันจะหนักหน า, นานะเนี่ยรีบส่งนะเพราะนั่ว่าคําว่ารีบส่งคํานี้แหละมันจําเป็นจะต้องได้ใช้รถเเข้าไปส่งคนป่วย <S <S ออคันสองคันเนี่ยไม่พอใช้แต่ิ่งเข่าวิ่งออกวิ่งเข่าวิ่งออกเข้าไปส่งโรงพยาบาลสูงอุดรเนี่ยแหละจะให้ความจําเป็นการใช้รถมันก็สูงขึ้น เพราะนั้นแต่ละอำเภอนีแต่ละโรงพยาบาลก็มีความจําเป็นที่จะต้องได้ใช้รถนเพราะฉะนั้นเขาก็มาขอมาขอเป็นไปได้หลวงพ่อก็บอกศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีกําลังทําปูไม่มีกําลังเราบอกมันก็นยังว่าเหมือนกันบอกอย่างนั้นแบกไม่ได้ไม่มีกําลังฮแต่ตัวเองพยุงตัวเองก็ยังพยุงจะไม่รอดอยู่แล้วเราจะไปให้แบกของได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องมองดูว่ามีกําลังเหลือเฟือ พอที่จะแบกได้ไม่หนักหนาผู้ที่ไม่หนักหนาก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมผู้ที่ด้อยกว่าอ่อนกว่าในทั้งโลกทั้งโลกมีการเฉลือเผือแพร่กันเห็นความสําคัญซึ่งกันและกันเพราะเกิดในประเทศชาติเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือเพราะว่าถึงยังไงประเทศชาติจะอยู่รอดได้ก็ต้องอาศัยการอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ถึงตัวเองจะร่ำรวยขนาดไหนก็เตอะนะคนยากจนไม่เป็นรั้วรักษาประเทศชาติให้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันคนที่จะรักษาประเทศชาติได้ก็คือพวกลูกห ล, กลานในชนบทนี่แหละปกป้องประเทศชาตินี่นะประเทศชาติจะเป็นผึกแผ่นขึ้นมาก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันสรุปแล้วนี่ก็เหมือนกันคนรวยก็ต้องเฉลือเผื่อแพร่ให้คนจนอีกรูปลักษณะหนึ่งเมื่อคนจน เราไม่มีกำลังเราก็รักษาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในระดับหนึ่งถ้าถ้อยทีถอยอาศัยกันประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าต่างคนก็ต่างไม่มีการเสียสละไม่มีการเกลียวแลกันไม่มีการสงเคราะห์กันประเทศชาติบ้านเมืองก็มีแต่ความอายนะหรือว่ามีแต่ความแตกแยกสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเรา เพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์แต่บางวัดบางวัดบางแห่งบางครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าจตุปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมถวายวัดไม่ควรจะนําไม่น่าจะนําเอาไปใช้สงเคราะห์โลกเขาเพราะเขาเอามาถวายสงฆ์ถวายสังกัษฐ์ถวายสงฆ์สงฆ์ต้องใช้ในนามของสงฆ์ไม่น่าจะเอาไปให้ชาวบ้าน ช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยสาธารณประโยชน์เพราะมันเป็นของสงฆ์ฟังดูแล้วก็น่าคิดอีกแต่สําหรับหลวงตามหาบัวเองที่หลวงพ่อรักเคารพนับถือความเห็นของท่านท่านบอกว่าถึงเราจะเป็นพระสงฆ์ที่เขาจะถวายสงฆ์ก็จริงแต่สงฆ์พอเป็นไปได้สงฆ์พอใช้ในวัดก็ไม่มีอะไรขาดเหลือขาดตกบกพร่อง ชุมชนเขาขาดเหลือขาดตกบกพร่องมีความจําเป็นสงก็ควรจะช่วยสงเคราะห์ชุมชนแต่ถ้าหาว่าสงไม่ช่วยสงเคราะห์ชุมชนแต่สงก็มาอยู่กับชุมชนมีแต่เอาอย่างเดียวมีแต่ให้ชุมชนสงเคราะห์แต่ว่าสงจะสงเคราะห์ชุมชนสงเคราะห์ไม่ได้แสดงว่าสงในเห็นแก่ตัวนะลงตาท่านว่าน่ะสงในเห็นแก่ตัวมีแต่เอาลูกเดียวเอาอย่างเดียว ไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนสงก็ไม่ควรจะอยู่กับชุมชนเขาควรจะออกห่างจากชุมชนถ้าขืนอยู่กับชุมชนแล้วก็สงเคราะห์ชุมชนไม่ได้ไมีได้ให้ชุมชนสงเคราะห์สงสงไม่น่าจะอยู่กับชุมชนถ้าสงอยู่กับชุมชนสงก็ต้องช่วยเหลือชุมชนชุมชนก็ต้องช่วยเหลือสงเมื่อข่าวจาเป็นหลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อเข้าทางหลวงตานะ่ะเห็นด้วยกับหลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงทํา อะไรลงไปลุงพ่อจึงไม่กระดาะเพราะเหตุไรเพราะว่า เ, ออเราทําด้วยความเป็นธรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์เพื่อความร่มเย็นผาสุขของมวลมนุษยชาติแต่พระสงฆ์เราก็ไม่ได้มองข้ามอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ไปเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสง์หลวงปู่มั่นขนาดหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไผ่เขายังให้หลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิ หมอ อ, อิบาลสงหลวงปู่มั่นที่สีนครินจังหวัดขอนแก่นตึกชั้นที่10เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปป่วยอยู่ในชั้นนี้แหละยีส่ส0บพระอยู่นั้นรับได้ประมาณ30กว่ารูปนี่ก็ต้องอาศัยมูลนิธิบางทีทางรัฐบาลหรือว่าทางโรงพยาบาลเขาให้ยาเม็ดหนึ่งอย่างยามะเร็ง เม็ดละห้าร้ยบาทเขาจะให้เพียงสองรอยบาทแต่ต้องอาศัยมูลนิธิอีกสามร้อยบาทจึงชื้อยาเม็ดนั้นขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่เม็ดเดียวแต่นี่ยมันจะต้องอาศัยมูลนิธิเพราะนั้นมูลนิธิหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อก็ไปทอดผ้าป่าให้ทุกปีใช้ปีหนึ่งประมาณล้านกว่าบาทเหมือนกันนะเกือบสองล้านปีที่แล้วเนี่ยล้านแปดมัแต่ปีนี้เขา้าป่าเขาไปสองล้านแล้วไปชมกันเมื่อกี้เนี่ย นี่แหละอันนี้ก็คือดูแลพระสงฆ์เราก็ไม่ได้นิ่งดูดายเหมือนกันฝ่ายพระสงฆ์สําหรับคารวาสก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ไปช่วยสร้างตึกหนีไฟเคียงคู่กับตึกหลงตาตึกหลวงตาหนี่งสิบชั้นที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็ไปสร้างตึกหนีไฟเป็นที่จอดรถด้วยถ้าไฟไหม้กุฏิไฟไหม้โรงพยาบาลได้ตึกของหลวงตาก็จะได้ลําเลียงมาตึกหลังนี้ เพื่อจะลําเลียงคนป่วยลงไปนี่แหละอันนี้ก็คือเขาเสนอมาหลวงพ่อหน้าก็จําเป็นในหลวงพ่อกําลังสร้างนี่เขา ก, กาลังเทขึ้นไปเมื่อวันมันก่อนหลวงพ่อไปดูแล้วก็ถึงชั้นที่สีแ่แหละอันนี้ก็สิบชั้นเหมือนกันจะจุรถประมาณหกร้อยห้าสิบคันมั้งตึกหลังนี้นะถ้าว่าไฟไม่ไหมก็เป็นที่จอดรถถ้าไฟไหมมาการเป็นที่ลําเลียงคนออกมาสู่ตึกหลังนี้และการลาเลียงคนออก ออกไปเนี่ยอันนี้ก็คือเราไม่ได้นิ่งดูได้สำหรับชุมชนและสังคมแต่ส่วนพระสงฆ์ก็เหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ช่วยวัดนั้นวัดนี้บังถ้าจะตุปัจจัยที่ได้มาโดยเป็นธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราทุกๆ ท, ท่านกลุ่มทุกหมู่ทุกกลุ่มทุกคณะ ถ้าพอมีกําลังหลวงพ่อว่าควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมเป็นเสียเตัาเองไม่มีกําลังมันก็ช่วยไม่ได้แต่พอมีกําลังก็เออช่วยๆกันคนละไม้คนละมือทางว่ามีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมีการเสียสละต่อกันโลกไปนี่ก็จะร่มเย็นเป็นสุขทางว่าโลกไม่มีการเทียวแลกันนี่มีการสงเคราะห์กันไม่มีทานะคือการเสียสละให้กันโลกไปนี่ก็ อูด้วยกันได้ความการเดือดร้อนวุ่นวายพอสมควรเนี่ยวทานะทานะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทานนะไม่ใช่ว่าเมื่อได้บองมาแล้วก็ไม่ใช่จะเก็บอย่างเดียวต้องมีการเสียสละอมิตชทานอามิสทานคือการสงเคราะห์วิทยาทานคือให้แนวความคิดแนะนําสั่งสอนนี่วิทยาทานธรรมทานก็ให้ ธรรมะเป็นธรรมะเป็นทานให้ทางถูกต้องให้หลักเหตุผลเรียกว่าธรรมทานอภัยทานถาว่าเขามาร่วงเกินเราเราก็พร้อมที่จะให้อโหสิหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันทานโลกมีการให้อภัยทานมีการให้อภัยกันโลกทั้งโลกก็นี่ยอย่างที่ว่าสรุปแล้วก็คือให้มีน้ําใจให้มีเมตตาซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะ พนันวันนี้จะมีการมอบรถแอมบูรน์ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอนาโสมประมาณชักเที่ยงนะผู้ใดจะอยู่ดูก็ได้และก็พร้อมการวันที่หลวงพ่อได้ประกาศไปเมื่อวันพระก่อนว่าเราคณะจัดทาญาติโยมในลงทุนลงขันกันซื้อที่ดินถวายวัดปานาคำน้อยเป็นเนื้อที่ทั้งหมด48ไร่เป็นเงินทั้งหมด แล้านหลวงพ่อว่าน่าจะไปชุมหาฤือกันหรือว่ามอบทําพิธีมอ บ, บ, นะบนะวันที่ห้นนานะการับถืญาติโยมนะวันที่สีนนะ่เป็นวันวิสาขาบูชาวันที่สมิถุนานะเป็นวันวิสาขบูชาพอเราทําวิสาขาบูชาตอนเย็นเสร็จแล้วพุง่งในเช้าก็จะมีการทําบุญทําทานมอบที่ดินวัดถวายที่ดินวัดไว้ในพระพุทธศาสนา จะก็คงจะมีการไหว้พร ะ, ะมีการสวดมนต์หรือไม่กับตัวแท้แต่อาจจะมีการทําบุญตักบาตรที่วัดหลวงพ่อจะบอกว่าเอาวัดสาขาของเราเนี่แหละก็คงจะไปเอามากวัดไหนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาออกไปจากวัดเรากน่นทมนต์มาพวกเราก็มาร่วมร่วมกันน้วันที่5มิทุนานวันที่สี่เป็นวันวิสาขาบูชาวันที่หเป็นวัน ทำบุญร่วมกันตักบาทตอนเช้าเปิดเปิดสำนักใหม่ไม่ใช่เปิดเราแค่แค่ว่าถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งต่อไปก็ตรงนั้นจะทำอะไรหลวงพ่อต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นสำนักปฏิบัติสำหรับฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงอาจจะเป็นสำนักแม่ชีหรือว่าผู้มาปฏิบททัติธรรม ก็มาอยู่ที่นั่นได้ที่วัดของเราเนี่ยครับเป็นฝ่ายพระสงฆ์ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นั่นไม่ไกลเท่าไหร่นะจากนี้ไปประมาณนั่งรถไปประมาณ10นาทีก็ถึงละอันนี้แหะ ค, ค, คือเห็นแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ได้ประชุมกับคณะกรรมการของวัดพระสงฆ์ในวัดทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเอาไว้ก็ได้เอาไว้นะแต่วันที่ นั่นก็จะไปมอบหมายมอบถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือซื้อที่ดินถวายวัดหลวงพ่อเคยซื้อที่ดินถวายวัดมาหลายแห่งนะอย่างวัดของคุณแม่ชีกแก้วก็เหมือนกันแต่ก่อนก็เจึกตรงเจดีนั่นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นของชาวบ้านนะแต่แถบนอนอูอ้เขาหวงที่ดินมากๆนะ แต่หลวงพ่อไปดูจะสร้างเจดีย์คุณแม่นี่จะสร้างยังไงนะถ้าจะสร้างในวัดก็แคบเกินไปแล้วจะเอายังไงเขาจะขายหรือเปล่าเนะนอกวัดเนะี่ยเขาเป็นป่าหลวงพ่อก็ถามโอ้คุณแม่เอ้ยพวกผู้ค้านี่จะสร้างเจดีย์ถวายคุณแม่นะขอให้พูดง่ายๆให้หน้อยนะเถอะให้คุณแม่ช่วยบา ร, รมีของคุณแม่ช่วยให้พูดง่ายๆเถะ ที่จะถวายที่ดินเนี่ยซื้อที่ดินเนีอยแต่ในหลวงพ่อกับไปก็ บ, บอกเอ้ยเป็นไงเจ้าของที่ดินจะขายไหมเนะี่ยทั้งนอกเน่ยราคาเท่าไหร่แต่ในเขาก็เราก็พูดแล้วก็เฉยล่ะคิดว่าเดี๋ยวต่อไปค่อยพูดกันอีกอ๋อพอพูดไม่นานเลยเจ้าของที่ดินตามมาเลยเขาร้อนเงินพอดีเลยจะเท่าไรแล่วไร่ละสองหมืนหอนถึงสามหมื่นเ่ะไล่แรกนะ โอ้เขาว่าเขาได้ขายดีพอแรงเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยซื้อเอาซะห้าหกไร่มั้งทีแรกนะเออน่าเป็นไปได้ใครเอาออกเอกผลในโวนเลยขยายออกไปเออมาพิจารณาดูแล้วบุญบา ร, รมีของคุณแม่เออพูดได้ง่ายๆแต่ตามจริงโอ้คนในถิ่นนั้นไม่ใช่ธรรมดาพูดยากมากเลยแต่นี้มาสืบมาดูประวัติของคุณแม่ชีแก้วนะคุณแม่ชีแก้วเนะี่ยสมัยก่อนอายุสิบหกปี อยู่ที่บ้านห้วยทรายตามปกติพี่ชายพวกพี่ชายพวกพ่อเนี่ยเขาจะไปถางในถางป่าและ้วมอะไว้สำหรับปลูกคลามคือต้นครามเนี่ยเหมือนกับเอามาแล้วมาแช่น้ำเอามาใส่เสื้อมาย้อมผ้าเยเป็นสีดำเรียกว่าผ้าสีคลามเนี่คุณแม่ก็จะไปปลูกครามในบริเวณนั้น เป็นปลาละเหมาะในถังเป็นไร่แต่ป่าที่คุณแม่ก็ไปถางไปทาําเป็นเด็กผู้หญิงนีท่นี้หลวงปู่มั่นกับพระสงฆ์เดินตระเวนหาที่ว่าเอ๊ะตรงไหนที่จะเหมาะที่จะสร้างวัดเนะ่ยที่จะเป็นที่ทำเรภาวนาที่เหมาะสมที่ไหนมันเหมาะถ้าก็เดินตีนเรียบตีนเขามาแถบนั้นมันเป็นที่เนินตรงนั้นะ ท่านก็ออกมาท่านเห็นเอ๊ะตรงนี้เหมาะวาเนี่ยจากนี้ตีนนี่เหมาะจากนั้นท่านก็มาออกมาบินธบาติอย่างเมื่อเช้าอย่างนี้แหละเป็นไงหลวงปู่ท่านยาท่านอไปเที่ยวหาที่ภาวนาที่วัดเหมาะได้หรือยังเอ๊ะเราก็ไปเห็นตรงนั้นนะ่ะที่เขาถางป่าตรงนั้นอะ่ะเตียนเตียนอ่ะตรงนั้นอะ่นนอะแล้วก็บริเวณ ร, รอบๆอบ เป็นป่าดีเหมาะที่จะเป็นที่ภาวนาได้ถ้าว่าเป็นของใครนอตรงนั้นนะถ้าเขาให้เราคิดว่าจะอยู่ตรงนั้นก็เหมาะเพราะมันก็ดูดูแล้วก็แหล่งน้ําก็ไม่ไกลเท่าไหร่เขาว่าเป็นของนางแก้วเนี่ยแล้วเอ้เป็นของเด็กหญิงเอ้ยนางแก้วอายุสิบห้าสิบหกปีเป็นสาวซีดลีดเหมือนกันเด็กไอ้ข้ากำลังจะเป็นสาวพอท่านเอ่ยซื่อเท่านั้นเออนางแก้วคุณแม่แก้วเนื้อเข้าไป เป็นของหนูนั่เองยาท่านว่าไงก็เลยเขาเรียกยาท่านมั่นนะก็ตั้งชื่อว่ายาท่านเป็เคารพสุดเหมือนกันยาท่านมั่นอาจาท่านมั่นต้องการไหมอยากจะได้ไหมเออถ้าหากว่าเราจะให้เราก็ยินดีจะสร้างวัดตรงนั้นโอ้ถวายเลยยาท่านมอบถวายเลยเอมอบถวายให้ยาท่านเลยถ้าได้หลวงปู่มั่นก็กเลยรับพอรับเจแล้วท่านให้พรนี่น นางแก้วเอ้ยอขอให้เจ้าเนี่ยคำว่าทุกยากจะได้มีนะเนออให้ให้มีทรัพย์สมบัติไหลามาเทมาไหลลินมา่าได้ขาดสายให้เจ้ามีแต่ความสุขความจเจริญเนอนะนางแก้วนะเนออคุณแม่ก็ซาูุเลอจากนั้นก็มอบให้จากนั้นก็เลยตั้งตั้งวัดเนี่ยเว่าวัดหนองน้องอตรงนั้นเป็นวัดหนองน่อง ติดต่อมากับหลวงปู่ฟั่นครูบาอาจารย์ไปอยู่ไปจำพรรษาทั้งหลายปีนะตรงนั้นน่ะนี่แหละคุณแม่ก็เลยบอกโอ้ตั้งแต่บัตรนั้นมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นให้พรมาเงินไม่ก็ไม่ขาดมือแต่ไม่รวยลังไหลมาลินมาไหลมาลินมาเออแต่ไม่ใช่เทมานะเออไหลมาเป็นเส้นเป็นสายมาแต่ไม่เคยอดไม่เคยอยากหลวงปู่มั่นให้พรแต่คราวนั้นนี่แหละ อันนี้ก็คือคุณแม่ก็เล่าท่านก็เล่าเล่ า, ลาประวัติของท่านให้ฟังสรุปแล้วก็คือท่านก็ได้ถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนามอบให้แก่หลวงปู่มั่นที่เต็เป็นต้นตระกูลท่านก็ได้มาภาวนาอยู่จุดนั้นผลนั้นการถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศสลส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อจังได้ซื้อที่ดินสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วก็หมดไปหลายเงินเหมือนกันนะเงินวัดของเราทุ่มเข้าไป เงินวัดของเรามีแต่ใช้ใช้ทุ่มทุ่มก็ไปทําถนนทั้งสร้างเจดีย์ด้วยฮในเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยใครไปกราบไปไหว้พระเจดีย์ใครไปพักพระเจดีย์ใครเดินผ่านพระเจดีย์ใครไปจอดรถที่ดินของเราที่เราถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อพระเจดีย์หรือสร้างวัดวาศาสนาเนี่ยแหละบนกับเราไป ซื้อที่ดินแล้วก็มีรถไปจอดแล้วก็เก็บค่าเช่าไม่ใช่เหรอะในเมื่องเราไปสร้างบ้านแล้วก็เราก็เก็บค่าเช่าจากคนมามาพักมาอยู่ที่บ้านเราอันนี้ก็เหมือนกันนะ่นะเถอะเราซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วใครไปพักภาวนาอยู่ที่นั่นเราก็ได้บุญจากเขาคนนั้นที่เขาไปภาวนาสัตว์สาลาสิงตัวไหนไปอยู่ที่ที่ดินของเราเราก็ได้บุญจากสัตว์ตัวนั้นที่พึ่งพาอาศัยที่ดินของเรา ลมเย็นเป็นสุกนี่แหละก็ว่าซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นวันที่ห้านี่แหละพวกเราจะได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไปนานเท่านานเป็น no สามนะแต่ที่กําลังจะทําเป็นโฉนดอยู่ถ้าเป็นโฉนดแล้วแปว่าแน่นอนแหะเป็นของวัดเป็นสาขาหรือว่าเป็นของวัดป่านาคําน้อยของเรานี่ยนะไม่ใช่เป็นสมบัติ ของผู้ใดนะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะจะไปคิดว่าของหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินไม่นานนะหลวงพ่อก็ตายแล้วอจะเซ็งก็ไมาได้จะขายก็ไมาได้ที่ดินแปลงนี้จะทําอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเท่านั้นหลวงพ่อเป็นเพียงจัดการเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลในขณะยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อหลวงพ่อตายไปแล้วก็นนั้นเป็นสมบัติของไม่ใช่ของใครนะเป็นของกลางฮนะ เป็นสซบัติของพระพุทธศาสนารับพรนะเจเนนะค่ะนัสต า, า ญ, ญาณโยม